พวกที่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่ที่สูตรคุณมุนชูก็ได้เสียมไม่คมใช้ด้ามหนักๆเข้าไว้เนี่ยมันก็ขาดเหมือนกันแหะพวกเนี้ยคือเพ่งอริยสัจมากเนี่ยนะคือเพ่งอริยสัจด้วยศรัทธานะกับพระพุทธคุณเนี่ยพวกนี้ก็สา ม, มารถตรัสรู้อริยสัจที่ที่มีสองอย่างนี้เป็นหลักส่วนผู้ที่มีปัญญาเป็นหลักก็เช่นพระ มหาโกธิตะอยังไงน ะ, ะถ้าพวกศรัทธาเป็นหลักก็พระวกกะลียังไงนะมันพวกที่บรรลุก็มีอยู่สองสายด้วยกันเห็นไหมพวกบางพวกก็ศรัทธาเป็นตัวนํามากบางพวกก็ปัญญาเป็นตัวนํามากเห็นไหมจะจะไม่เท่ากันนะแล้วความสามารถก็ไม่เท่ากันเห็นไหมพวกที่ศรัทธามากก็หนักไปทางศรัทธาพวกที่ปัญญามากก็หนักไปทางปัญญาแต่ว่าที่ตรัสรู้คือตรัสรู้อริยสัจเหมือนกันเห็นไหแล้วก็ใครจะไปดูถูกศรัทธาก็แล้วกัน โอ้สัตธามากไปไอ้ที่มากคือมันมันศรัทธาในสิ่งที่ไม่ควรศรัทธาเนี่ยมากไปเนี่ยไงก็เคยเห็นใครมีศรัทธามากแล้วโอ้โหศรัทธาในพระพุทธเจ้า น, ะนั้นนั่งสวดมนต์อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไงคือสวดแบบคนเข้าใจนะโอ้โหสาธยายพุทธคุณทั้งวันทั้งคืนเพราะศรัทธาเนี่ยนะผู้การเคยเห็นไหม เอางั้นก็ไม่เรียกศรัทธาที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยเพราะศรัทธาแบบนั้นมันลูกไม่ได้อันนั้นะก็มีแต่นิกายอื่นแต่ไม่ทราบว่าที่เขาเขาทําทั้งวันนั้นคือเนี่ยเขาเขาเข้าใจพุทธคุณแบบไห น, นไม่ทราบอ่ะนะแต่ว่าเอานะโอ้ศึกษาพุทธวงโ์อย่างดีศึกษาจริยาปิดกอย่างดีศึกษาเรื่องอภินญาหกเข้าใจเป็นอย่างดีอ่ะนะศึกษาอาสาธารณญานเนี่ยพุทธคุณทุกแง่ทุกมุมอ่ะ น, นะเท่าที่มีอยู่คน้นคว้าอย่างละเอียด โอแล้วศรัทธามา ก, ก น, นะไม่คิดอย่างอื่นเลยคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าในทั้งหมดเลยนะอันนี้ขมงมายังเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยสายบุญไม่ค่อยมีนะคุณผูมก็ เ, เห็นไมหนม ย, ยังนะยังไม่เคยเหมือนกันนะคือคือคือศรัทธาแบบนี้นะนะแต่ก็ก็มีนะอย่างอา้าวศรัทธาในพระไตรปิฎกมากเนี่ยนะโอี้แต่พระไตรปิฎกอย่างเดียวนี้ก็เห็นไม่ค่อยมากเห็นไหม คิดโอ้โหสวากขาโตพระกวตาธรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีจริงๆนะโอปพระราชิกสีนี่ตรัสไว้ดีจริงๆนําเพื่อความพ้นทุกสังขาริเศตก็สอนไวด้ดีจริงๆอะชมหมดเลยตั้งแต่เล่มบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะอยู่อย่างเงี้ย ต, ต, ตลบแล้วตลบเล่าไม่มีเลิกมีรามีจบมีสิน้นถ้าอย่างนี้ก็หาเห็นยากไงนะเห็นไหมเห็นที่ไหนเห็นไหมอ๋อฟุการ์นั้นไะ ก็นี่ก็ขอมายังตัดทายังไม่ไม่ไม่แรงเต็มที่เพราะยังส่งไม่ได้เลยจะได้ถ้าจําได้เมื่อไหร่ค่อยว่าอีกทีอย้าหน้าผมใช่ไหมไม่อยู่ข้างหน้ายอมน้อยแหละอันะัดูหน้าสามสิบสองอีกหน่อยนะพูดถึงอริยทรัพย์บ้างออม อริยสัพจเนี่ยนะศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าใครมีความเข้าใจอริยสัพจประการเนี่ยพอที่จะเอาไว้สอบสวนตัวเองว่าว่ามีแบบนี้ไหมเนี่ยนะไ ด, ได้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นไหมเพราะว่ารั์อันนี้มาเนื่องอันมาจากพระพุทธเจ้าว่าเราจะได้รับมรดกจากพระองค์มากเท่าไหร่ก็ดูได้จากเจ็ดบทเหล่านี้นั่นเองเนี่ยนะอริยสัพจประการข้อแรกนะว่ารั์คือศรัทธา เนี่ยนะซับคือศรัทธาอย่างที่สองซับคือศีลอย่างที่สามซับคือหิริโอตตาปะสี่ซับคือสี่โอตตาปะหสุตะหจารค้าเจปัญญาเนี่ยนะซับนี้เรียกว่าเครื่องปลื้มใจเนี่ยนะเครื่องปลื้มใจในคําว่าศรัทธาก่อนนะถ้าเฉพาะตรงๆแล้วหมายถึงตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในพระตถาคตที่พระองค์มีโพธิทั้งสคือมีโพธิญาณ อนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์เนี่ยมียานในโสดาปฏิมักยานในสกทาคามิมักยานในอนาคามิมักยานในอรหัตตมักอ่ะนะศรัทธาในโพธิอันนี้หนึ่งแล้วศรัทธาในคําว่าตถาคตหนึ่งคือตถาคตเนี่ยแปลว่าตถาอาคโตเนี่ยมาอย่างนั้นมานตั้งแต่โอ้หประชุมธรรมะแปดประการและตั้งความปรารถนาะบําเพ็ญบารมีทั้งหมดมาจนถึง ตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ว่าพอตรัสรู้พระองค์ก็เป็นพระอระหันต์ไกลาจากกิเลสกําจัดข่าสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารวัฏเนี่ยนะสัมมาสัมพุโทโธตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระเองเองเองซึ่งอภินญญาธรรมเป็นต้นพระองค์มีวิชาสามมีวิชา8ดมีจารณะสิพระองค์เสด็จไปดีแล้วไปสู่อมตะนิพพานเสด็จไปตามอริยมรรคไม่ย้อนกลับมาหากิเลสแทงตลอดอริยศาสตร์อย่าง ถูกต้องไม่เป็นอัตตกิร่ามัทานุโยคไม่เป็นการมัสุขาลิการนโยคเนี่ยนะแล้วก็มีศรัทธาอีกว่าโอ้โพระองค์นี้เป็นโลกวิทูจริงๆนะั่นโลกโลกสมุทยัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่าโอกาสโลกสัตวโลกพระองค์แทงตลอดหมดเนี่ยนะก็ศรัทธาหมดเลยในอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามีทรัพย์คือศรัทธาไงว่าแล้วก็ตรวจตราดูนะลองมาไล่ดูนะแต่ะบทเนีมา อ, อ้ออรหังบทนี้ก็ศรัทธา สัมมาสัมพุโทโธเออบทนี้ก็ดีจริงๆเยี่ยมนะวิชาจารณะสัมปันโนเออซึ้งมากนะถ้าอย่างงี้ก็เออบอกแล้วผู้มีศรัทธาจริงๆถ้าอารหังเอ้ยนึกไม่ออกเลยอารหังเป็นยังไงอย่างเงนะแล้วจะบอกว่ามีศรัทธานี่ก็กลายอยู่เหมือนกันเนี่ยนะว่ามันไม่เคยเต็มปากเต็มคำนะมันก็ศรัทธานี่ก็เน้นที่นิมิตของศรัทธาอ่ะคือคือความเข้าใจในพุทธคุณเนี่ยนะและอีกในหนึ่งศรัทธาเนี่ยนะ นิมิตของศรัท ธ, ธาบอกได้อย่างหนึ่งก็คือลักษณะของผู้ที่มีทรัพย์คือศรัท ธ, ธานะเขบอกว่าปรารถนาจะเห็นผู้มีศีลเนี่ยนะเขาต้องการพบเห็นผู้มีศีลอย่างที่สองก็คือปรารถนาเพื่อที่จะฟังธรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้ที่มีศรัท ธ, ธาเนี่ยนะทีนี้ตัวศรัท ธ, ธาที่เป็นทรัพย์ได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยใช่ไหมศรัทธานี้ถ้าไม่มีปัจจัยไม่เกิดนะ ปัจจของศรัทธาคือสัทธรรมมาสวาัณะการฟังธรรมเป็นอย่างดีนั้นเป็นอาหารของศรัทธาเนี่ยนะันั้นก็ผู้ที่มีศรัทธาก็อยู่ที่การฟังการอ่านหรือถ้ว่าให้ตรงก็คือความเป็นพหูสูตรนั่นแหละเป็นเป็นอาหารของศรัทธาเนี่ย น, น, นก็ในบรรดาผู้ที่ศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเอาตัวเองไปยอมตายแทนพระพุทธเจ้าก็คือใคร ท่านนนเนี่ยนะนนเนี่ยพระน น, น, นนเป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มากถามว่าทำไมเพราะท่านฟังมากเนี่ยนะท่านก็เลยมีศรัทธาเป็นแรงมากเนี่ยนะแล้วก็ได้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งศรัทธาอย่างอย่างดีจริงๆแลงนันก็ถ้าฟังมากนะนะโดยเฉพาะฟังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะมากก็ถือว่านิมิตรหรืออาหารของศ ร, รัทธาก็มีมีมากเนี่ยนะ ววขขกว่าปัญญ า, ญญาคือพวกปัญญามากๆเนี่ยนะถ้าฉลาดจริงๆก็ไม่มีปัญหาก็เบาหวังนั้นเถอะแต่ถ้ายังไม่ทันฉลาดแต่ฝักใฝ่ในความฉลาดพวกนี้ก็เหนื่อยหน่อยเนี่ยนะแต่พวกศรัท ธ, ธานุสารีเนี่ยปฏิบัติก็ค่อนข้างมีความสุขถ้าถ้าว่าไปนะก็คือด้วยว่าด้วยใจรักเป็นเกณฑ์นะนะศรัท ธ, ธากับฉันทะมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละทั้นคนที่มีศรัท ธ, ธามากก็มีฉันทะมาก รออจริงๆแล้วศรัทธาเนี่ยมีความสําคัญมากไหมมีความสําคัญมากนะในการตรัสรู้อริยสัจ น, นะนะศรัทธาเนี่ยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบนะศรัทธาเนี่ยเป็นเหมือนมือที่ที่ทมีความสําคัญมากนอนะทีนี้อย่างหนึ่งนะถ้าสังเกตเรื่องของศรัทธาท่านบอกว่าผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธา โดยมากจะอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายในขันห้าอ่านะอันนี้นี่เป็นเครื่องหนึ่งเอาไว้วัดเรื่องเรื่องผู้มีศรัทธาอย่างหนึ่งนะว่าผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธาจะมากด้วยความเป็นอยู่ในการเบื่อหน่ายในขันห้านีนะคือรู้จักขันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายในขันห้าเห็นโทษเห็นภัยของขันห้าลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธานะ อีกในหนึ่งท่านอธิบายว่าศรัทธานี้เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงทางสนะศรัทธานี้เป็นที่รวบรวมซึ่งสเสบียงทางนะถ้าพูดแบบคนทั่ ว, วไปนะนคนที่มีศรัทธาก็คือรู้ว่าสเสบียงของเขานี่มีเยอะละเนะนะด้วยมีสเสบียงคือศรัทธาอีกในหนึ่งก็บอกว่าศรัทธานี้เป็นสิริที่นอนมาแห่งโคพคซับเนยนะ มันถ้าเราสังเกตเปรียบเทียบดูว่าคนที่มีทรัพย์นะให้รู้เธอว่าคือคนที่มีศรัทธามาก่อนนั่นเองเ น, น, นะเป็นคนที่มีศรัทธามาก่อนถ้าเขาไม่มีศรัทธามาก่อนเขาจะไม่มีทรัพย์เลยนีนะแต่ว่าเมื่อมีทรัพย์และจะมีศรัทธาหรื อ, อ, อไม่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าไม่มีศรัทธามาก่อนเขาจะไม่มีทรัพย์เลยเนีนะเพราะเขามีศรัทธานั่นแหละเขาจึงให้ทานนีนะ ท่านบอกว่าสิริเป็นที่มานอนแห่งโพคะเนี่ยนะแห่งแห่งโคพคะซั์เนี่ยนะมันก็คือจากเขาเป็นคนที่มีศรัทธานั่นแหละเขาจึงมีโคพคะซั์แต่ถ้ามีแล้วก็ถ้ารักษาไว้ดีก็ดีไปถ้ามีโคพคะซั์แล้วแต่โดยทั่วๆไปนะตั้งคําถามว่าโภคะรัพย์กับปัญญานี่ไหนดี ก, กันเนี่ยนะในมโหสถบัณฑิตเขา ก, ก็ถกกันเรื่องนี้เหมือนกันบัณฑิตมาสนทนากันเลยนะว่า คนคนมีเงินคือคือคนรวยกับคนที่มีบริวารกับคนมีปัญญาเนี่ไหนจะดีกับกันเขาสนทนากันอย่างงี้ยเหนไหคนถามนี่เป็นพระราชาถามแต่ถามอัมมาอมมาสี่คนแต่ว่าหลักๆก็เอาอัมมาสสองคนมาถามแต่ว่าพ อ, พอพูดเป็นสรุปสรุปบอกว่าคนรวยแล้วมีอำนาจสิดีกว่าคนมีปัญญาเขาว่ากันเขาว่าไง ดูอย่างพวกเราที่เรียกว่าคนมีปัญญาก็มารับใช้พระราชาที่ไม่ค่อยฉลาดนะเราว่าให้ตรงๆ อ, งองนะเพราะฉะนั้นคนคนมีฐานะเนี่ยดีกว่าว่างนั้นเถอะเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเห็นยหมเพราะอะไรเพราะว่าซับเนี่ยปกติแล้วถ้าคนมีซั์เอาไปทําอะไรเห็นไหมคนมีโภคะถ้าหากว่าเห็นแก่โภคนะนีก็เห็นแต่ประโยชน์ในโลกนี้อย่างเดียวเพราะปกติถ้ามีโภคะนะ น้อยมากถ้าถ้าเป็นคนพาณด้วยนะคนพาณถ้าเขาคิดเขาคิดยังไงคิดเพื่อเบียดเบียนตนคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายถ้าเขาพูดนะเขาพูดยังไงพูดเพื่อเบียดเบียนตนพูดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสรุปแล้วกายกรรมวจีกรรมมนกรรมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทีนี้ไอ้พื้นฐานของความเป็นพาณเนี่ยนะถ้ามีทรัพย์แล้วมันจะขนาดไหนใช่ไหมก็สร้างความเป็นพาณได้มากขึ้นทําชั่วได้มากขึ้นเนี่ย ข้ออะไรเพราะว่าหลายๆแห่งท่านก็บอกว่าคนมีทรัพย์แล้วไม่เอาทรัพย์ไปทําชั่วหาน้อยนักในโลกคือคือไม่ใช่ไม่ ม, มีที่เอาไปทํำดีอ่ะนะก็มีถมไปแต่ทีนี้ว่าถ้าว่าโดยปริมาณที่จํานวนมากเลยนะเอาทรัพย์ไปทําบาปเนี่ยมีมากกว่าเนี่ยนะเอาทับเอาเอาทรัพย์ไปทําอกุศลกรรมบท10ิบเนี่ยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะน้อมไปเพื่ออกุศลกรรมบทตรสิบข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง ปัญญานี้าผู้มีปัญญาก็เห็นประโยชน์ทั้งโลกนี้แล้วก็เห็นประโยชน์ทั้งโลกหน้าเนี่ยนะก็เผื่อประโยชน์ในโลกหน้าถ้าจะว่าไปนะคนชั่วหลายๆคนที่ทําบาปหนักๆก็เพราะเขามีมีทนะรัพย์เนี่ยนะคนยากคนไร้าเนี่ยนะยาจกทําบาปไม่ได้ขนาดนั้นง่ายๆหรอกเห็นไหมมีสมบัตดียวเหนไมีนะมสมบปราเดียมีสมบัติปเดียวก็ทําบาปได้น้อยหน่อยแต่ถ้ามีทรัพย์มากนะ<ม>ติดเรดาร์เลย<ด> จดร้เลยนะดูเลยส่องดูว่าปลาตรงไห น, นมีมากว่าใน ร, รัสมีกี่กิโลต้องล้อมขนาดไหนอะไรไงแล้วยกขึ้นหมดเกลี่ยงเลยเห็นไหคนกระจอกทำไม่ได้อยู่แล้วขนาดนะแล้วก็ศรัทธานี้ท่านบอกว่าเป็นเพื่อนสองของบุรุษเนี่ยนะเป็นมิตรแท้เนี่ยนะมิตรแท้ก็คือศรัทธาแหละที่มีที่มีอยู่ในใจะนะถ้าหากว่าเปรียบศรัทธาเหมือนกับพืช ฝนคือตะบะเป็นที่เจริญงอกงามแห่งศรัทธาเนี่ยนะนคนที่มีความเพียรมากก็ทําให้ศรัทธาของเขาเจริญงอกงามบางแห่งก็ในอย่างในอลาวกาสูตรพูดถึงว่าบุคคลจะข้ามโอคะด้วยศรัทธาเนี่ยนะโดยเฉพาะข้ามทิศโถคะเนี่ยต้องข้ามด้วยศรัทธาจริงๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิเนี่ยนะผู้ที่ลักทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดคือใคร พระโสดาบันใช่ไหมพระโสดาบันนี้นับว่ายิ่งด้วยศรัท ธ, ธาอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะจะข้ามทิศโถคะได้ก็ด้วยอานุภาพของศรัท ธ, ธาเนี่ยนะตถาคตโพธิศรัทธาก็หลายๆเรื่องเราจะไปเห็นตามได้ยังไงใช่ไหมบอกน้ําตาในทะเลเนี่ยไอ้น้ำตาของสัตว์ทั้งหลายมากเท่ากับมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรถ้าไม่มีตถาคตโพธิศรัทธาเราจะเชื่อได้ยังไงก็ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งในธรรมะเหล่านี้นะพระภาษารีบุตรเองก็อาศัย ศรัทธานะอาศัยศรัทธานำมันข้ามข้ามโอเะข้ามกิเลสได้ก็อาศัยศรัทธาถ้าถ้าเปรียบพระพุทธเจ้าเหมือนช้างนะอย่างพระในนาคสูตรที่พระกาลุทายีสันเสริญพระพุทธเจ้าอุปมาพระพุทธเจ้าเหมือนช้างนะบอกว่าตัวช้างทั้งหมดเนี่ยศรัทธาเนี่ยเหมือนกับส่วนงวงของช้างเนี่ยนะเหมือนกับงวงช้างนะมีอุเบกขาเหมือนกับงาว่า ง, งั้นเนี่ย งวงนี่ปกติแล้วงวงจะเป็นตัวตรวจสอบใช่ไหมงวงนั่นนะของช้างอ่ะนะเป็นตัวตรวจดูอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรก็บอกว่าพระพุทธเจ้านี่มีศรัทธาเป็นงวงเนี่ยนะสำคัญขนาดนั้นนะร่างกายช้างนี่ถ้าไม่มีงวงสัอย่างเดียวเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะท่านศรัทธานี่นับว่าเป็นส่วนของงวงอ่ะที่สําคัญมากอถ้าใน ถ้าสูตรที่พระองค์อุปมาด้วยนครหรือนักขะระสรสนรกขะระสรสสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนเมืองเนะีศรัทธาเนี่ยคือเมืองนี่ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยเสาระเนียรคือคือกำแพงอ่ะนะเสาระเนีรก็คือเสากำแพงประกอบไปด้วยคูไปดอกด้วยค่ายที่รกเชิงเทินเป็นต้นเนี่ยนะองค์ประกอบของเมืองอ่ะนะที่ที่มั่นคงหน่อยศรัทธานี้อุปมาเหมือนกับเสาระเนียร เสาเนี่ก็คือเสาเสากำแพงเมืองอันนึ่ง น, น, นะเสากาแพงที่เขามาฝังฝังฝังฝังศรัทธานี้นับว่าสาคัญเท่ากับกำแพงเมืองทีนี้ส่วนที่ศรัทธาที่น่าเอาคนคิดให้มากอย่างหนึ่งก็คือกรรมมักตาศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในกรรมและก็ผลของกรรมเนี่ยนะคือกรรมมักตาศรัทธานั้นที่ที่เราส่วนส่วนก็ต้องอาศัย สัทธานำถ้าหากว่าไม่อาศัยสัทธานำเนี่ยนะเราจะไปแยกแยะได้ละเอียดยังไงว่าทํากรรมไหนแล้วมาให้ผลเป็นยังไงเนี่ยนะเรารู้ไหมว่าไอ้จิตเห็นตอนนี้มาจากกรรมที่ทําไว้เมื่อไหร่ชาตินี้หรือครั้ ง, งที่แล้วชาติที่แล้วเอ้ยไม่ชาติที่แล้ ว, ล ว, ลวมันดวงที่ไหนนะแล้วมันตอนนั้นอ่ะตอนทําอะไรงไงนะมันก็ไปตรวจละเอียดขนาดนั้นไม่ได้อ้าวแล้วทีนี้หน้าคิดอยู่อย่างหนึ่งนะก็บอกว่า กรรมวิบากเป็นเรื่องอาจินไตเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็เกี่ยวกับกรรมใช่ไหมสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอันนี้ให้คิดให้มากถามว่ามันขัดกันไหมอ้าวบอกอีกแห่งหนึ่งบอกว่ากรรมเนี่ยเป็นอาจินไตนะอีกแห่งหนึ่งบอกว่าเอาเรื่องกรรมให้มาพิจารณาให้มากนะขัดกันหรือเปล่าท้อการขัดกันไหมไม่ขัดยังไง จะได้รู้ว่าไม่ขัดคือที่ไม่ที่ไม่ขัดตัวหมายความว่าเออเมื่อ ค, ความความความความตื้นความลึกเขาเขาการที่จะไปรู้เหตุผลเนี่ยเ <7 S 1> นี่ยมันมีอยู่เหตุผแล้วเป็นไงต่วัวก็ถ้าหากว่าถ้าจะไปรู้ที่ไม่อาจินตายหมายความว่ามันไม่สามารถ รู้ด้วยปัญญาอย่างอย่างยางเราเนี่นะแต่ถ้าพระเจ้าพระองค์รู้ได้ท่านบอกว่าศรัทธาสาวกรู้เป็นเอกเทศนะรู้เป็นบางส่วนส่วนพระสัพพันยูนี้รู้สิ้นเชิงเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบอุปมาทั่วๆไปนะชาวนาที่ที่มีนามากๆาเนี่ยนะ เป็นสมมติว่ามีนาอยู่พันไร่อย่างเงี้ยนะแล้วก็หวานข้าวข้าวกล้านี้ออกดีมากเสร็จแล้วมาเก็บไว้ที่ยุ้งฉางแล้วก็พอได้เวลาก็เอาข้าวข้าวเปลือกเนี่ยมาทําเป็นข้าวสารข้าวสารแล้วก็มาหุงมาต้มแล้วก็เอามากินชาวนาทั่วๆไปนะถามว่าเขารู้ไหมว่าไอ้คานี้ที่เขากําลังกินเนี่ยมันมาจากแปลงไหน ไม่รู้เกี่ยวก่อนหรือเกี่ยวหลังแล้วมันใส่ปุ๋ยตรงตรงนั้นอะ่ะทําไมมันมันมันสุกก่อนเพื่อนหรือว่าสุกหลังเพื่อนอะไรเนี้ยนะชาวนารู้ละเอียดขนาดนั้นไหมเอาทำนาจริงๆละ่ะไม่รู้แต่ชาวนานี้รู้ใช่ไหมว่ามาจากนาแปลงนั้นรู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านั่เจ้าอุปมาก็บอกว่าพระ อ, องค์รู้หมดเลยว่าข้าวเม็ดเนี้ยมาจากรวงตรงไหน เนี่ยนะแล้วทําไมมันจึงงอกงามได้ขนาดนั้นแล้วอันนั้นเนี่ยมาจากเม็ดอันไหนเอกเนี่ยนะไล่ละเอียดยิบหมดเลยแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปก็เหมือนกับชาวนาที่เรียกว่าที่มีกินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าผลแห่งการทํานาไว้นะที่มามีกินอยู่ตอนนี้แต่ไม่สามารถถึงก็เรียกว่ารู้ละเอียดเป๊ะว่าโหเนี่ยเอามาจากรวงนั้นรวงนั้นเม็ดที่เท่านั้นเนี่ยนะสีก่อนสีหลังเกี่ยวก่อนเกี่ยวหลังอะไรเนี่ยนะชาวนาไม่รู้ขนาดนะั้น แต่ก็ทำกับมือนะแต่ก็ไม่รู้ชั้นไหนก็ดีเรื่องกรรมก็เหมือนกันให้รู้ว่ า, าที่มีผลบุญที่สเสวยสุขอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเพราะว่ากุศลที่ทำในอดีตนะก็รู้ ร, รู้คร่าวๆแบบนี้ถ้าให้รู้ละเอียดก็อย่างว่าบำเพ็ญบา ร, รมีให้เป็นพระพุทธเจ้าก็รู้ละเอียดหมดเลยยิบหมดเลยเนี่ยนะแต่ถ้าถ้าทั่วๆไปก็ให้รู้ว่าเออเนี่ยกุศลให้ผลเป็นสุขนะอกุศลให้ผลเป็น นะก็ว่าโดยรวมๆแบบนี้ทีนี้ถ้านานานาเดียวแล้วก็เอามาทําเป็นช้างเนี่ยนะถ้าอย่างนี้มันไม่น่าอาัศจรรย์หรอกเรื่องกรรมมันหนักกว่านี้อีกถามว่ามันหนักกว่านี้หนักยังไงถ้าอันนี้เป็นช้างแล้วถึงเวลาเอามาเอาม า, เอามาหงกินนะฉางอันเนี้ยทานาไว้ไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วแล้วมาใส่มาใส่มาใส่นะแล้วก็เอามามาห ùng, งเนี่ยไม่รู้เอาตรงไหนมาหงกินก่อน ก็เลยสรุปยังไม่ทันรู้ว่าเอ๊ะนาเนี่ยข้าวที่เอามาหงเนี่ยมันมันทำมาจากปีไหนกันแน่ที่ที่เอามากินเนี่ยนะแต่ว่าว่าโดยรวมๆกว้างๆแล้วรู้ใช่ไหมว่ากุศลให้ผลเป็นสุขอากุศลให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะว่าเวลาที่กุศลจิตหรือขณะที่กุศลเกิดรู้เลยว่าจะมีผลเป็นสุขต่อไปถ้าอากุศลเกิดก็จะรู้ว่าให้ผลเป็นทุกข์ ต่อไปหรือวิบากที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามาจากกุศลหรืออกุศลก็รู้ได้กว้างๆอย่างนี้นั่นเองนะนะก็บอกว่ารู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วละที่จะเบื่อนาย่างั้นเถอะนี่ย น, นะพอแล้วพอจะกลัวไนดะ้แล้วไม่กลัวก็แสดงว่าทำบุญไม่เยอะนะ ฉะนั้นจึงไม่สงสัยเลยว่าพระพูทธเจ้าเนี่ยที่สง่งรสชาติได้เนี่ยนะแล้วแล้วพระองค์เนี่ยนะจึง จ, งจึงเป็นผู้รู้เลยว่าต้นเหตุของสังสารวัตรไปยังไงไปยังไงมาอย่าง ไ, ไางไถ้าว่าให้ละเอียดไปจริงๆนะพระองค์ก็ไม่ได้ชี้แจงที่เรียกว่าละเอียดยิบอะไรมากนะพระองค์ก็จะบอกว่ากรรมเนี่ยมีสามนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสามมีอะไรเป็นมูลบอกโลภะโทสะโมหะเป็นมูล เพราะฉะนั้นถ้าจะกําจัดกรรมนะเนี่ยกำจัดโลภะโทสะโมหะได้ก็สิ้นกรรมเท่านั้นแหละเอาเอาเอารู้หลักๆแค่นี้พอละเนี่ยนะอย่าไปรู้ละเอียดโอ้โหเนี่ยนะคำพูดอัตมาเทศเนี่ยคำเนี่ยมันจะไปให้ผลปีนั้นนะอย่างเงี้ยนะมันจะให้ผลเท่าระยะเท่านั้นเท่านั้นก็รู้ว่าให้ผลเป็นสุขก็พอใจละเนี่ยนะไม่ต้องไปรู้แตกฉานขนาดว่านี่นะมันจะให้ผลทางจิตเห็นมากกว่าจิตได้ยินนะอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอก รู้ว่าให้ผลเป็นสุกก็พอใจแล้วว่างันงกรรมสกตาศรัทธาเนี่ยนะนับว่าสําคัญมากเนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมสกตาศรัทธาที่โดยเฉพาะตะถาคตโพธิศรัทธาแล้วก็ยากงั้นผู้ที่มีตถาคตโพธิศรัทธามีกรรมสกตาศรัทธาก็นับว่ามีอริยทรัพย์อย่างหนึ่งนะทรัพย์ที่ที่ดีเลิศอย่างหนึ่งทีนี้ทรัพย์ข้อต่อไปก็คือทรัพย์คือศีลเนี่ยนะทรัพย์คือศีล ทรัพย์คือสินก็ได้แก่ศีลห้าเป็นต้นนั่นแหละอ๋อ น, นะปารภถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อไร่แล้วนึกถึงศีลได้เลยใช่ไหมจึงจะเรียกว่าคนมีสินนะถ้าปารภชีวะหรือชีวิตนะชีวิตอินทรีย์เมื่อไหรนะฉันมีวีรตีเว้นจากสิ่งเหล่านั้นนะถ้าอย่างนี้ก็บอกว่าผู้มีศินจริงๆอย่างเนี่ยอย่างที่สองนะถ้าปารภวัตถุของผู้อื่นเมื่อไร่แล้วปารภว่าเอ๊ะอทินาธานเจตนาเหล่านั้น ในวัตถุนั้นๆไม่มีเนี่ยนะปารลถึงวัตถุที่ต้องห้ามนะเอ้เราไม่ได้ล่วงละเมิดเลยเนี่ยนะปารลถึงคำคำพูดท่องหายแหละเราไม่ตั้งใจพูดให้คลาดเคลื่อนแม้แต่หน่อยเลยเนี่ยนะปารลถึงสุรานะเอ้ยเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะดื่มเหล่านั้นเลยถ้าปารลอย่างนี้แล้วก็เห็นคุณเหล่านั้นนั้นนะบอกได้เลยว่าผู้นั้นมีทรัพย์คือ ศีลเนี่ยนะแต่ถ้ายังไม่มีก็เจริญให้มีซะปารภถึงชีวิตตินรีลเมื่อไหรก่ก็อย่าลืมนะระลึกถึงกุศลประเภทปานาติบาตเอาไว้คิดถึงวัตถุคนอื่นเมื่อไหร่ก็ให้คิดถึงอธินนาทานเนี่ยนะการงดเว้นจากอธินนาทานเอาไว้ปารภถึงวัตถุต้องห้ามเมื่อไหร่ก็นึกถึงศีลข้อสเอาไว้ปารภถึงคําใช้คําเมื่อไหร่ก็ปารภถึงศีลข้อ4เอาไว้เนี่ยนะปารภถึงน้าเมาที่มีอยู่ในโลกก็ ตั้งใจเอาไว้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีทรัพย์คือศีลเนี่ยนะก็หมั่นตารบเนี่ยนะร ะ, ะลึกถึงวัตถุนั้นๆแล้วก็หัวนละละลึกถึงกุศละกุศลศีลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นทรัพย์คือศีลนะส่วนทรัพย์คือฮิริโอตาปะนิริโอตาปะนี่ละอายใจเหลือเกินที่จะทําบาปเนี่ยนะละอายใจอ่ะนะที่ละอายตัวเองมากที่จะต้องไปทําชั่วแบบนั้นถ้าโอตาปะนะั้นกลัวเหลือเกินไอ่ทำชั่วแล้วมันจะมีผลยังไงต่อไป กลัวผลของความชั่วอันนั้นนะเรียกว่าโอตะปะเนี่ยนะคือถ้าราหีรินะถ้าจะทำชั่วนะมันละอายใจต่อตัวเองนะมันมันเหมือนกับรังเกียจตัวเองมากๆเลยนะที่จะที่จะไปทําชั่วแบบนั้นอันนั้นเป็นหีรีส่วนโอตะปะก็คือรังเกียจผลของของการกระทําอันนั้นมากเช่นโอ้นี้ปาณาเดบาตตกนรกนะอย่างเงี้ย น, นะก็รังเกียจผลอันนั้นก็ทําให้มีโอตะปะขึ้นอันหีริโอตะปะเนี่ยนะละอายต่อชั่วเกรงกลัวต่อบาป ก็นับว่าเป็นอริยทรัพย์นะเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐอย่างมากส่วนสุตตะเนี่ยนะความเป็นพหูสูตรนี่ก็เป็นทรัพย์อย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยเบื่อก็คือเนี่ยมันมันเป็นการสแสวงหาทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็อ่านหนึ่งครั้งก็ได้ทรัพย์หนึ่งทีไม่ไปดังเกียรติทาอะไรใช่ไหมมันก็เลยทําให้ใจรักที่จะอ่านพระไตรปิฎกมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครสุตตะนี่ก็เป็นเป็นทรัพย์นะเนี่ยนะ ถ้าท่องได้ก็เป็นซับมากกว่ากว่าอ่านเฉยๆเนี่ยนะเอาไปตรึกได้ก็แสดงว่ามีซับมากกว่าท่องไล่เฉยๆเนี่ยนะก็ความประณีตของสุตรตะซับอันนี้ก็แตกต่างกันไปซึ่งซับคือสุตะในธนะสูตรเนี่ยนะ ท, ทุติยธนะสูตรคืออังคุตรนิกายสัตตกานิบาศข้อ6เนี่ยนะอธิบายถึงซับคือสุตะว่า ก็ซับคือสุตะเป็นไงนดูก่อนพี่สูตทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวิัยนี้เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้สดับมากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมะทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้เรียกว่าซับคือสุตะเนี่ยนะซับคือสุตตะก็สรุปว่าเรียนมากจำมากทรงมากแต่ว่า เพื่อนิสรณัตถานะศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่ใช่ว่า โ, โหมีมากจะได้ไปโชว์คนอื่นเขาหรือเอาไปไว้ตั้งความป่าชนะลา ม, มกอันนั้นไม่ใช่นะทรัพในที่นี้หมายถึงว่าเป็นสเสบียงเพื่อที่จะนําออกจากวัตทุก์นั้นเองคือว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยให้พ้นทุกข์มากนะทีนี้ต่อไปทรัพคือจารคาก็คือผู้ที่มีฝ่ามืออันล้างแล้วพร้อมที่จะให้ยินดีในการสละก็คือไม่ตรณีนั่นเองนะ ันก็ของเราในนี้ก็มีอยู่หลายท่านด้ยวยกันนะยินดีในการให้ก็มีความสุขกับการให้ยินดีในการเจริญกุศล น, นะสิ่งที่ให้มากน้อยไม่สาคัญสำคัญที่ว่าใจจะให้เนี่ยมีไหมเนี่ยนะถ้ามีใจจะให้ไอตรงนั้นแหละถือเป็นเป็นทรัพย์ไม่จะวาวโหขนมอมกออกหมดบ้านหมดเลยแล้วก็ให้หมดเสร็จ แ, แล้วก็มานั่งเสียใจไม่น่าเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่ามีทรัพย์คือจากะอะไร ให้มากให้น้อยวัตถุที่ให้ไม่เป็นเกณฑ์ให้เป็นเกณฑ์หมายความว่าใจที่ให้เนี่ยยินดีมากมีความสุขกับการให้เนี่ยนะงั้นผู้การให้อาหารปลาเมื่อเช้าเนี่ยมีความสุขไหมเออดีนะเจ้าจะได้มียินอย่างเงี้ยนะก็มีความสุขแต่อย่างงี้ก็มีทรัพย์และขณะนั้นไม่ไม่ยากไรอะไรผมผมนึกในใจผมเก็บเบี้ยได้ถุนรานครับเล็กๆ็ ก, กน้อยน้อยดีกว่าไม่ทำเช่นนั้นอย่านั้น เขาบอกว่าถ้าผลไมนะ้นั้นไม่มีกินอิ่มก็มีพอดับกระหายก็ยังดีใช่ไหมต่อไปนะว่าทรัพย์คือปัญญาเนี่ยนะซับคือปัญญาอันนี้กว้างขวางหน่อยนะว่าอริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นไปเพื่อการชำระกิเลสเพราะฉะนั้นก็ทรัพย์คือปัญญาหมายถึงปัญญาที่รู้เหตุเกิดความดับของขันห้าคือ ถ้าว่าไปจริงๆนะว่าปัญญาเนี่ยประกอบร่วมกับกุศลทั้งหมดที่กล่าวไปทั้งหข้อคนที่มีศรัทธาก็มีปัญญาประกอบเป็นศรัทธาที่เป็นญาณสัมปยุตนะศีลก็เป็นศีลสัมปยุตฮิริโอตะปะก็ญาณสัมปยุตสุตาก็ญาณสัมปยุตจาคะก็ญาณสัมปยุตแต่ปัญญาในที่นี้หมายเอาวิปัสนาปัญญาที่รู้เหตุเกิดและความดับเนี่นะกุศลอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าปัญญาไม่ได้เป็นผู้นำเนี่ยนะ แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องรู้เหตุเกิดและความดับเนี่ยนะอันนี้มีปัญญาเป็นเป็นผู้นำเนี่ยนะมีปัญญาเป็นเป็นใหญ่ที่รู้เหตุเกิดและความดับขันจะเกิดเกิดโดยอาการ25เนี่ยนะขันจะดับก็ดับโดยอาการ25เนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าการเจริญอนุปัสนาในขันห้าเป็นไปเพื่อดับวัตะเนี่ยนะก็เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะนั้ น, ะนซับคือปัญญาอันนั้นก็มีคุณมากนะ คือรู้ว่าสังสารวัตเนี่ยมันก่อตัวได้ยังไงแล้วรู้ว่าสังสารวัตเนี่ยมันดับลงได้ยังไงเนี่ยนะถ้ารู้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์ไม่ใช่น้อยเลยนะอ่าจริงๆแล้วความรู้ถึงกระแสการเกิดของสังสารวัตและกระแสการดับแห่งสังสารวัตรนี่มีคุณอย่างสูงถามว่าคุณอันเนี่ยสูงยังไงสูงว่าละทิศที่ได้ไม่รู้กี่สิบชนิดละถ้าถ้าเข้าใจสองประการเนี่ยนะ รู้ว่าสัางสารวัติเกิดได้ยังไง ร, รู้ว่าสัางสารวัตรดับได้ยังไงนะละมิจฉาทิฐิตระกูลลัที่ผิดผิดเนี่ยนะละไปไปไปมากแล้วนะถ้าสามารถทำให้โสดาปฏิมากเกิดด้วยยิ่งตัดทิฏฐิได้สิ้นเชิงเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรู้เหตุเกิดความดับนี้จึงเป็นอริยศัพย์ที่ที่ประเสริฐมากเนี่ยนะถ้าจะว่าไปนะซับหกห้อ ก็เหมือนกับแหวนทองอ่ะนะทรัพย์ข้อสุดท้ายก็เพชรประดับทองอ่ะนะคั้งก็แสดงว่าก็มีคุณมากแต่ถ้ามีแต่ทรัพย์คือปัญญานะแหวนไม่มีเลยมีแต่เม็ดเพชรเนี่ยประแขวนไว้ตรงไหนเนาะมีมีสมมติเขามีให้ให้ให้ให้ลูกหนขนาดนี้นะไปวางไว้ตรงไหนดีนะไม่มีที่เก็บเหมือนกันนันมีปัญญาล้วนๆเฉยเฉยเนี่ยนะเพราะนั้นก็ก็สำคัญทั้งหมดเลยนะแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาหาศรัทธาอีกครั้งหนึ่งนะผู้มีศรัทธาเนี่ยจำได้เลยว่าเขาต้องมีศีล นะเพราะมีศรัทธาเป็นเหตุให้มีศีลมีศรัทธานั่นแหละทําให้มีหิริโอตปะมีศรัทธานั่นแหละทําให้เขามีสุตตะมีศรัทธานั่นแหละทําให้มีจาระและมีปัญญาถ้าจะว่าไปนะซับข้อที่1คือศรัทธานี่ก็เป็นบาตเป็นพื้นฐานที่จะก่อร่างสร้างตัวเพื่อเจริญงอกงามยิ่งๆิ่งขึ้นไปยอันท่าช้าก็คงสมควรกันนะ